อาจะสวดมนต์กันก่อนดีกว่านะ สุปาติปันโนภคาวะโตสาวกสังโกสังขังนะมามินะโมตัสสะภคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคาวะโต คาราหโตสัมมาสัมพุทสานามตัสสภาคาวโตคราหโตสัมมาสัมพุทสาอิติปิโสภคาวะสำพุตโนเวจาราณาสัมปัน สุขาโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสัดามะสาราธิษสทาเดปุโดภคาวาตีสวาคาโตภาคาวตาธรรม สันเดติโกอาาลิโกฮปัสิโกอปานยโกปัจจตังเวทิตาเวโยหิติสุปฏิปานโนภคาวโตสาวกสังโก อุโชพติปันภคาวโตสาวกสังโกญาญาปิปันโนสาวกสังโสามีจิปติปันภาคาวโตสาวกสัง จัตตาริโพเรสายุคานิอทตาโพเรสปุคาลาเอสาภาคาวโตสาวกสังโกอาหูนายโยปาหูนายดาขนายโยอัจาริการนิโย อนุตรังคุญญาตังโรกาสัตินัดทิเมสระนางอัญญ์งพธโมเมศระนางวะรังเอเตนะสัจวัช นาวัตถยยังสัตตุสัสนนาติเมสรนังอันยาธัมโมเมสรนังวะระเอเตนะสัจจวัชนะสัตตุสัสนิ นาทิเมสระังอันญัสังโฆเมสระนังเอเตนะสัจจวัเจนะวัตสัทธุสาสนิ ขอขมาพรรัตนตรัยกายนาวาจเยวเจตสาวาพุทเถกุกัมภูตถปาติคันหาตุอเจยานตัง นาวาจันาวาเจตัสสาวาสังเทกุกา ม, มังปะกตาัมมายายังสางโคปาติคังสาธุสาธุาอ่ขอขโมทนากับพวกเรานะตั้งใจ ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันในชั้นคําสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าพระุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์สละบุตรภรรยาอวัยวะและชีวิตสรุปก็คือว่าพระองค์สละห้าอย่างแยกเป็นสามได้ก็คือว่าชีวิตอวัยวะและทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสามประการนั้นเพื่ออุปการละแก่บุคคลอื่นถ้าขยายออกมาก็เป็น บุตรแลวก็ภรรยาก็กลายเป็น5ประการแค่นั้นทรงสละทรัพย์ด้วยสละบุตรด้วยชายาด้วยอวัยวะและชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วทรงบำเพ็ญพระบา ร, รมี3 0สิบทัศบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบและประมัตถบา ร, รมีสิบครบท้่วน30ทัศ แล้วก็เดินโพธิปักขิยธรรมคือสติปทานสมปูรฐานอิทิบาทอินทรีพร ะ, ระโพชงแล้วก็อริยมรรคมีองค์8อันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ทรงให้บริบูรณ์แล้วทรงบรรลุโพธิญาณอันบริสุทธิ์ให้พระคุณทั้งสิน้นให้พุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสาลัชญาณสีพระทศสปรยญาณ10เป็นต้นทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้ง3คือกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิ ทรงทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วทรงเปรื่องหมู่ชนผู้กระทํากรรมงามให้ออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์มรณะทุกข์ให้พ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจเสียได้คําว่าโยนั้นแปลวพระองค์ใดนั้นเป็นคําแสดงเนื้อความที่ม่ได้กําหนดแน่นอนว่าผู้ใดคือผู้เช่นใดเป็นคำำําดําหรือเป็นคนดําหรือขาวดังนี้เป็นต้นท่านต้องการขยายความว่าพระเจ้าเนี่ย คำว่าโรกัตถายะเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกก็หมายความว่าพระบรมศาสดานั้นทรงเป็นที่วาดวงเดียวของโลกทั้งสหรือของเขตทั้งสาชาติเขตก็คือหมื่นจักรวาลวิสัยอาณาเขตก็คือแสนโกจักรวาล น, นะวิสัยเขตอันหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นจึงเป็นดวงตาดวงเดียวของพุทธเขตทั้งสเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกคือเพื่อสําเร็จแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลาย คำว่าพุโทโธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือว่ามหาบุรุษคนหนึ่งผู้แทงตลอดทำทั้งปวงแทงตลอดสัจจะทั้งสี่เป็นต้นทนังก็คือทรัพย์ทรัพย์นั้นมีสาวิญญาณนักซับก็คือว่าทรัพย์ที่มีวิญญาณคลองก็คือมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่พระบรมศาสด า, สดาทรงเป็นพระราชามหากษัตริย์ทรงปกครองทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นที่ทรงมีก็ทรงสละนะเพื่อทรงสละทรัพย์เหล่านั้นที่เป็นสาวิญญาณนักซับ ก็มีช้างม้าธาตุหญิงและก็ธาตุชายเป็นต้นหรืออวิญญาณนักรทรัพย์ก็มีแก้วมุกดาแก้วมณีเงินทองเป็นต้นเหล่านี้ยสุตาก็คือว่าบุตรได้แก่บุตรและธิดาทั้งหลายภริยาก็คือชายาได้แก่ชายาผู้ร่วมเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสคนที่เรียกร่วมเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสทั้งหลายเนะี่ยเรียกว่าชายาเกี่ยวข้องกันด้วยกิเลสที่ถูกต้องตามธรรมเนียมตามประเพณีนะถึงจะเรียก ว, ว่าชายาเป็นต้นไนดะ้ ลักษณะอย่างนั้นก็แปลว่าคําว่าอังคังก็อวัยวะที่แก่อวัยวะมีมือมีเท้ามีหูมีจมูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นเหล่านี้นะ น, นั่นก็เรียกว่าอวัยวะชีวังก็คือชีวิตแต่แกสรีระทั้งสิ้นที่เนื่องกับชีวิตติณสีสรุปก็คือว่ารู ป, ปกายของสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตแต่รูปส่วนในานามธรรมา ท, ทั้งหลายคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน ว่าสังขารแลขันเป็นมีอยู่สภาพทำชนิดหนึ่งเขาเรียกชีวิตตินทรีย์เจตสิกรูปชีวิตตินทรีย์และนามาชีวิตตินทรีย์ชีวิตทั้งสองประการเหล่านี้เอื้อกันนามาชีวิตตินทรีย์ก็รักษาชีวิตตนามรูปชีวิตตินทรีย์ก็รักษาชีวิตรูปอันนั้นเขาเรียกว่าชีวิตพระบรมศาสดานั้นสละได้แม้กระทั่งรูปปชีวิตและนามาชีวิตนั้นเพื่อประโยชน์สูขแก่สัตว์โลกทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ถามว่าทําไมพระบรมศาสดาสละบุตรใช่ไหม การที่พระองค์ให้บุตรเป็นทานเนี่ยนะให้บุตรเป็นทานให้ทิดาเป็นทานเนก็เพื่อต้องการที่จะให้สัตว์เหล่านั้นนะออกจากความเป็นบุตรของตนเองเข้าสู่ความเป็นพระอริยะถ้าเรามองในลักษณะชั้นคำสอนเราจะเห็นบอกว่าตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังเป็นปุโรชชนผู้มืดบอดเนี่ยนะด้วยดวงตาคือปัญญายานมันไม่เกิดเขาเรียกผู้มืดบอดด้วยอวิชชา อวิชานี่คือธรรมชาติที่ไม่สามารถแทงตลอดลักษณะทั้งสามัญลักษณะปัจจัตลักษณะคือลักษณะที่เป็นไปตามความเป็นจริงขอ ง, งสภาวธรรมเนี่ยอาวิชาแทงตลอดไม่ได้ไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้วันนี้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่สามารถจะรู้ได้นะไม่สามารถรู้สภาพของจักขุภาษาโสตาภาษาคานภาษาชิวหาภาษากายภาษา ไม่สามารถที่จะรู้จากคําว่าจักควญญูวิญญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณไม่รู้เลยลักษณะของสภาพธรรมทั้งที่เป็นปรมามัดและบัญญัติที่จะไปแทงตลอดตามความเป็นจริงเนี่ยโมหะนั้นปิดสนิทไม่สามารถจะทำให้สัตว์ทั้งหลายไปล่วงรู้ตามความเป็นจริงได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสภาพธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยโมหะก็ปิดสนิทเลย ไม่สามารถจะเข้าไปมีญาณปัญญาที่ไปแทงตลอดเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นได้เป็นต้นเหล่าเนี้ฉะนั้นธรรมชาติของโมหะนี่จึงปิดสนิทไม่ให้สัตว์ทั้งหลายนั้นนะ่ะเข้าถึงตามความเป็นจริงเป็นต้นได้แต่ว่าพระบรมศ า, ศาสดา ก, ก็เป็นห่วงเป็นห่วงบุตรนี่นะที่พระ อ, องค์ผูกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพระมหาบุตรทั้งหลายนี้ก็ผูกสัตว์ไว้ในฐานะเป็นบุตรของตนเอง ยอมมีบุตรเนี่ยมีธีดามีลูกเนี่ยคนที่เคยมีบุตรมีลูกเนี่ยจะรักมากเมื่อลูกนั้นยังไม่เลี้ยงสาจะเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมเขาจะไปใช้ชีวิตยังไงบางคนไม่มีบุตรก็ไปยึดหลานเนี่ยนะก็รักเขาเป็นห่วงเขาเขาต้องลําบากเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาจะดําเนินชีวิตอย่างไรที่เขาจะสามารถที่เลี้ยงกระแสชีวิตของเขาให้อยู่รอดบอด ใคเป็นต้นได้นั่นคือความเป็นพ่อเป็นแม่แม่ฉันใดพระบระมา ศ, าศาสดาก็ทรงห่วงพวกเราตราบใดที่เรายังเป็นปุรุชนเนี่ยนะซึ่งมีกิเลสหนาปัญญาก็หยาบเหลือเกินเนี่ยนะพระศ า, ศาสดาเป็นห่วงมากว่าเราเนี่ยจะออกจากวัตฏะยังไงจะออกจากความทุกข์ยังไงจะเห็นได้ยังไงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนั้นเป็นสภาพเดียวกันเนี่ยก็เห็นไม่ได้ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลไม่รู้เลยว่าขนาดจิตตอนนี้บุญเกิดขนาดจิตตอนนี้บาปเกิดคำพูดเช่นนี้เป็นวจีทุจริตคำพูดเช่นนี้เป็นวจีสุดจริตการกระทำอย่างนี้เป็นกายทุจริตการกระทำอย่างนี้เป็นกายสุดจริตใจที่คิดอย่างนี้เป็นมโนทุจริตใจที่คิดอย่างนี้เป็นมโนสุดจริตเมื่อสัสตว์ทั้งหลายพากันมืดบอดสนิทอย่างเนี้ยพระบรมศาสดาจึงไม่เบาใจเลย แต่เมื่อท่านผู้ใดาสามารถออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นภาริยาแล้วเนี่ยเปิดม่านคือดวงตาคือยานปัญญาให้ติดได้และเปิดม่านหมอกคึบที่มันปิดอยู่ในใจได้ทําให้แทงตลอดทิ้นความเป็นจริงได้พระศ า, าสดาก็โล่งใจว่าถอนออกจากความเป็นบุตรในฐานะที่จะต้องห่วงเป็นผู้ใหญ่แล้วเราท่านทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่เนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นเด็กในในในฐานะเป็นในธรรมวินัยของพุทธเจ้านะ เป็นคนที่ยังไม่รู้อะไรและไม่รู้ว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบไม่รู้เลยลมหายใจจะขาดเมื่ อ, อไรไม่รู้เลยคติข้างหน้าคืออะไรถามว่าปฏิปทาหนทางที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเธอก็ไม่ได้ปิดเขาไว้ช่องทางนี้ก็ยังไม่ได้ปิดทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ปิดทางที่จะไปเดินไปสู่ความเป็นเปรตและสุรกายทั้งสี่ทางทั้งสี่ประตูเนี่ย พวกเราไม่ได้ปิดเลยพระศาสดาก็ไม่เบาใจไม่เบาใจเลยเพียงพร่ำสอนอยู่แล้วแล้วเราเล่าพระบรมศาสดาผ่านมาแล้วผ่านมาเล่าก็พยายามบอกกล่าวพร่ำสอนอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เราท่านทั้งหลายก็ฟังอัตถะคำสอนของพระศาสดาไม่ออกว่าพระศาสดามีพรพประสงค์อะไรในเราท่านทั้งหลาย พระศาสดาบอกว่ากิจอันใดที่ตถาคตควรกระทาแก่เธอกิจอันนั้นตถาคตทําแล้วใช่ไหมจะบอกภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเป็นต้นถ้าบอกใครอุบาสกไวยศิกาก็นุ่นไงทา น, นกนุศลนั่นศีลกุศลนั้นภาวนากนุศลจงเร่งรีบพัฒนาขัดเกลาตนเองนะเจออุปสรรคเจอปัญหาเราไม่เห็นว่าเป็นเวทีทดสอบความสามารถใช่ไหมเราไปเห็นว่าอุปสรรคและปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องกลัวต้องท้อใช่ไหม มีใครคิดไหมว่าเมื่อเจออุปสรรคปัญหานี้มันเกิดมาเพราะบุญของเราเราได้เวทีทดสอบความสามารถศักยภาพของเราจะฝ่าฟันและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยอุปสรรคและด้วยปัญหานี้เราจะเดินคันติบา ร, รมีตามรอยบาทพระศ า, าสดาเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะมีใครคิดตามพระศ า, าสดาได้ไหมก็คิดไม่ออกพระศาสดาทั้งหลายเป็นผู้ที่มืดบอดใช่ไหมก็ไม่เห็นทางเดินของปัญญาไม่เห็นทางเดินของการที่จ ะ, จะเจริญกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยพระบรมศ า, ศาสดาจึงเป็นสห่วงเลยทำอย่างไรหนอที่จะทำให้เรานั้นออกออกจากความเป็นบุตรเข้าสู่ความเป็นภราริยาให้ได้อย่างเราท่านทั้งหลายถ้ามองกันในชั้นของคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ไล่เดียงสาในว่าเทาวนนิัยนะเพราะยังไม่รู้เลยถ้า เ, าเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหม คติข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบเราไมใ่ใจจะขาดก็ไม่รู้บาปปกติธรรมทั้งหลายที่ทําไว้ในการก่อนในพบก่อนในชาติก่อนในอัตภาพก่อนในสังสารวัตรก่อนๆมันจะตามมาบทขยี้เมื่อไหรเราก็ไม่ทราบแล้วถ้ามันตามมาทานขึ้นมาความวิบัติแห่งชีวิตก็มาถึงที่สุดจริงๆเราก็ลงอบายทุกขติวิบัตินรกชีวิตเราก็เสียหายเลย ทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงสละชีวิตตินทรีชีวิ ต, ตรูปและนามทั้งหลายเหล่าเนี้นะทรงเห็นแก่ชนเหล่าอื่นด้วยเจตนาที่จะให้พระบรมศาสดามีทรัพย์สมบัติก็เพื่อจกให้บุคคลอื่นใช่ไหมทรัพย์ภายนอกทั้งหมดทรัพย์ที่มีก็จะเพื่อจกให้บุคคลอื่น และอวัยวะที่มีทุกชิ้นนะตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็มีไว้เพื่อเพียงเพื่ออุปการละแก่บุคคลอื่นนะชีวิตที่มีก็เพื่อจกให้แก่บุคคลอื่นท่านจึงแสดงการบริจาคหาประการไว้ทรงบำเพ็ญบริบูรณ์ทรงให้สําเร็จอย่างไม่บกพร่องคําว่าปารมิโยคําว่าบารมีนั้นนะ่ะสัตว์ทั้งหลายย่อมไปคือย่อมดําเนินไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานด้วยปฏิปทานี้ เพราะเหตุนั้นปฏิปทาเหล่านั้นจะเรียกว่าบารมีใช่ไหมถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่เจริญดมเนี่าลเจตนาโยธาทาศีลเจตนาโยธกเนคขม่าเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาไหมวิริยะเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจะเจตนาโยธาทิฏฐานเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาและอธิฐานและอุเบกขาเจตนาโยธาถามบอกว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปคือย่อมดำเนินไปสู่ฝั่งคือพานิพานด้วยปฏิปทาปฏิปทาก็คือขับเคลื่อนบารมีสิบอุ ป, ป, ปบา ร, ร, รมีสิบปรบารมีบารมีสบไปสู่ฝั่งคือพานิพานเนี่ยเหตุนั้นปฏิปทานั้นชื่อว่าบารมีติท่าสาก็คือ30ทุวนก็คือตยโยทา่าสานี่ยเลยบารมี30สบทัศนคําว่าอนุปเมก็อันหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ก็คือล่วงพ้นข้ออุปมา เว้นจากข้ออุปมาเพราะไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นเช่นนั้นเช่นจะให้ศรีรษะเป็นฐานเนี่ยนะพร้อมทั้งพระเมาลีเนี่ยจนขุนเขาซีเนรู้พ่ายแพ้เนี่ยไม่หาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ถ้าเรามองเราจะเห็นนะตอนที่ตอนที่ว่าความเพียรของพระมหาสัตว์ของพระโพธิสัตว์เวลาท่านเพียรเนี่ยท่านเอาท่านเอาความสําเร็จเป็นตัวตั้ง ถ้าเราดูตอนชาติที่เป็นพญากระแต่ น, น, นี่ที่ลูกน้อยตกในทะเลก็ใช้หางจุ่มแล้วก็วิทยอ ย, อย่างนั้นนะเจ็ดวันเนี่ยนะวิทย์จนจนเท้าสกะเดือดร้อนต้องมาถามบอกว่าน้ำก็มากปริมาณหางของท่านก็เล็กน้อยจะทำไปทำไมท่านก็ตอบไปบอกว่าท่านผู้ไม่มีความเพียรเราไม่ปรารถนาจะสนทนาด้วยกับท่าน ท่านจงรีบลีกไปเสียเราจะทําจนกว่าที่น้ําในมหาสมุทรจะแห้งไอ้กรณีในรักความคิดแบบเนี้ถ้าใครที่จะมาพูดให้ท่านท้อท่านไม่ท้อถึงบอกว่าระดับพระโพธิสัตว์นี่นะถ้าเรื่องความดีนี่นะท่านใช้คําบอกว่าเหมือนขนไก่ขนไก่เนี่ยเวลาเข้าสู่ไฟเนี่ยขนไก่มันจะงอออกหนีพระโพธิสัตว์นั้นจะงอหนีบาปในะใจท่าน ถ้าอะไรเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตท่านจะงอหนีจะงอออกฉะนั้นคนที่มีปฏิบัตทาที่ตั้งมั่นยึดมั่นในกุศลธรรมทั้งหลายก็เลยใช้คําว่ายึดมั่นหรือสมาทานเนี่ยสมาทานในกุศลเนี่ยก็แปลไม่ยอมถอนความดีออกจากใจไม่ยอมถอนสุจริตสามคือกายสุจริตสามวจีสุจริตสีมโนสุจริตสามจะออกจากใจถ้าจะให้ตนเองทําทุจริตยังไงก็ไม่ทํา เพราะเป็นคนที่ตั้งมั่นในความดีเสียแล้วและก็ไม่ยอมถอนออกจากความดีแต่จะถอยหนีออกจากความชั่วอยู่เป็นนิดถามว่าคนในลักษณะอย่างนี้ถ้าตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้แทบไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกกระตุ้นเนะถ้ายัางเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอตั้งมั่นอยู่ในความดีได้ชั่วพักชั่วคู่เดี๋ยวพอเกิดเจอเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาใจก็ถอนใจก็ท้อใจก็อ่อนแอใจก็หวั่นไหว อันนี้เขาเรียกก็ไม่ยึดมั่นในกุศลคือความดีอย่างเหนียวแน่นเราก็มาพิจารณาดูว่าทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยแต่ก่อนท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเรานี่แหละแต่ทําไมท่านพัฒนาจากบุคคลธรรมดาเข้าสู่ความเป็นบุรุษวิเศษได้มันมาจากการฝึกมันมาจากการเพียรพยายามฝึกฝนการตั้งอัธยาศัยที่มุ่งมั่นนะทีนี้เมื่อมุ่งมั่นแล้วไม่พอก็การเติมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดหย่อน ที่สุจริงๆจากเป็นบุคคลธรรมดาก็เข้าสูงความเป็นผู้ที่หาบุคคลเปรียบเปย์ไม่ได้เปรียบปลานไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้มาจากการฝึกฝนมาจากการเพียรพยายามแต่ไม่ใช่มาจากการท้อถอยไม่ใช่มาจากการถดถอยไม่ใช่มาจากการว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เราเป็นบุรุษชนเราเป็นบุรุษชนไม่ใช่ข้อนั้นเป็นข้ออ้างในการที่จะเลิกละคุณความดีเลย กลับกลายว่าตราบใดเรายังเป็นบุรุชนอยู่นี่แหละเราจะต้องฝึกฝน เ, เ, เพียนภาคเพียรพยายามเข้าสู่ความเป็นอริยชนให้ได้ถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าเขาเพียนพยายามไม่หยุดเหมือนอย่างกรณีที่ท่านไหว้ใช่ไหมท่านไหว้น้ํำขํามมหาสมุทรตอนเรือแตกที่เป็นผ้าหมหาชโนกท่านก็ไหว้ท่านไปอย่างเนี้ยนะแต่เป้าหมายคือฝั่งเทวดาก็มาถามท่านเห็นไหว้ามานานแล้วใช่ไหม ท่านบอกว่าท่านเพียนไปจะได้ประโยชน์อะไรท่านก็ย้อนถามบอกว่าไอ้คนที่หยุดเพียนตายหมดแล้วนี่ไงใช่ไหมนี่ไงผลของความเพียนก็ท่านก็เห็นอยู่เพราะเราเพียนนี่แหละเรายังไม่ตายสองคนที่เหล่านั้นไม่เคยมีใครเห็นท่านเราจะเห็นท่านใช่ความเพียนไหมล่ะได้วยใจความคืออย่างนี้นี่ไงผลของความเพียนท่านก็เห็นอยู่ท่านจงดูบุรุษเชน่นเราเนี่ยเราจะเรียนเพียรพยายามไหวไปถึงฝั่ง แล้วเป็นพระราชาเนะี่บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเน่ฆ a m ม a เป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดบำเพ็ญอุ ป, ปบา ร, รมีสิบป ร, รมัตถรมารมีสิบสักวันหนึ่งเราจะคว้าสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้ท่านคอยดูเราอย่างเงี้ยถ้าคนในลักษณะเงี้ยน่าชื่นใจมไหยใช่ไหมถ้าอย่างเราไปเจออย่างนั้นน่ยเราก็อ่อนแอแล้วก็จมแล้วเราก็จมอยู่ในสังสารวัฏไม่สามารถจะกล้าออกจาก การมาพบรูปพอรมณ์พบ <them> ไม่สามารถจะข้ามพ้นจากการโมคที่โธคะพระโวคะวิโชคะโอฆะคือความมืดบอดของจิตที่ขาดญาณปัญญาเป็นตัวเชิดเป็นตัวนำหนึ่งเห็นไหมว่าชีกระแสชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่เราเนี่ยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนทั้งๆที่พระบรมศาสดาเนี่ย เป็นพระบรมคูเนี่ยเป็นพ่อสูงสุดเนี่ยนะเราในฐานะเป็นบุตรเนี่ยถ้าพูดถึงโคเนี่ยอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าลูกโคอุสุภาพ่อคือเป็นพ่อพ่อโคก็คือเป็นโคอุสุภาซึ่งมีกําลังมากมีความพิเศษมากมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมา ก, แ ต, ากแต่เราเนี่ยเป็นลูกแต่เราเลี้ยงผิดเราไปเอาโคลูกโคสุภาเนี่ยไปเลี้ยงปนกับโคเนื้อ โคเนื้อเดี๋ยวเขาส่งลงค่าเลยกลายเป็นโคเชือดที่สุดจริงๆก็ไม่มีความวิเศษในตัวเลยท่านก็เลยอุปมาบอกว่าจริงๆแล้วคืออะไรล่ะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันกลายเป็นศรัทธาแบบปกติวิริยาแบบปกติสติสมาธิปัญญาแบบปกติไม่เป็นภาวนาศรัทธาวิริยะ วิริยะก็ไม่เป็นภวระดับภาวนาสติก็ไม่เป็นไประดับภาวนาสมาธาิและปัญญาก็เหมือนกันมันเลยไม่เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองจนไปประชมในอาริยามารมีองค์8ดไดอินทรีห้าของเราก็กลายเป็นอินทรีห้าที่เป็นธรรมดาเป็นอินทรีห้าที่ใช้สําหรับหาข้าวกินไปวัน ก็เลยไม่พัฒนาสุ่ทานในกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลระดับสูงก็ไม่สามารถที่พ้นจากชาติทุกทุชรลาทุกพยาทุกมรณะทุกแล้วก็ไม่สามารถจะพ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจได้แล้วก็มานั่งปวดใจกันอยู่ทุกวั น, นแล้วก็จะต้องปวดใจไปอีกนะ้าในสังสารวัฏก็ต้องไปนั่งทุ ก, กันอีกนาะนนี่เขาเรียกว่าเราเลี้ยงลูกโคพันดีผิดพลาด ก็ไปปรับปรุงใหม่ใช่ไหมอะไรที่เป็นอาหารของศรัท ธ, ธาก็ให้อาหารสไตล์ถูกวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนเราได้ลูกโคมาเนี่ยถ้าเราไปเลี้ยงปนกับโคเนื้อมันก็พัฒนาไปสู่เป็นโคเนื้อแต่ถ้าเราไปแยกเขามาอยู่ต่างหากแล้วก็ให้อาหารในีดีดูแลเหมือนกับของมนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นพุโคพิเศษนะสังเกตดูไหมโคอุสุภาโคพิเศษเนี่ย เ, า เ, เยขาบอกว่าอยู่ในตระกูลใดเจ็ดตระกูลตระกูลนั้นจะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บนะ แล้วทโคนันท้วิสารเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกเวียนได้ต้องเป็นพันเล่มเวียนใช่ไหมอันนี้แปลว่าความพิเศษตรงนี้พระบระมา ศ, าศาสดาก็สร้างบารมีจนกลายเป็นบุคคลหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ล่วงพ้นข้ออุปมาได้แก่เว้นจากข้ออุปมาเพราะไม่มีบุคคลอื่นที่เป็นเช่นนี้ให้ศีรษะเป็นทานเป็นต้นพระองค์ก็สุงบำเพ็ญโพธิปัจฉิยะธรรมสาบเจประการเนี่ย น, นะ สติประฐานสมรประธา น, าธานอิทิบาทอินทรพราพโอชงแล้วก็เรียมักความรู้ในมักทั้งสีเรียกว่าโพธิอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลใดย่อมตัดสู้เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นเชื่อโพธิผู้ที่จะตัดสู้ก็ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำทั้งหลายอันมีในฝากฝ่ายแห่งโพธิญาณหรือของบุคคลผู้จะตัดสู้จึงเรียกว่าโพธิปักคียะถามบอกว่าทำเราไหนทำเรานั้นคือทำอะไรก็ต้องตอบว่าโพธิปักคีย์ทำาม37ประการ เราเรียนสติปทานสี่กันใกล้จะจบแล้วใช่ไมกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาเนี่ยสมะปะทานอิทิบาทอินรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดก็มร ก, กมีองแปดทรงบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นในข้อนั้นเชื่อมความบอกว่าทรงบำเพ็ญบารมีสิบทัตมีทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเวขาบารมีเป็นที่สุดทำไมบำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัทบารมีสิบเนี่ยเพื่ออะไร ทรงบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นที่ยังอริยมรรคให้สำเร็จและโพธิปักยธรรม37ประการที่บ่มโพธิญาณอัหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้อย่างบริบูรณ์นะปตวาก็คือทรงบรรลุคือทรงบรรลุด้วยพยานคำว่าโพธิงเนี่ยหมายถึงพระโพธิญาณ น, นะโพธิงโพธิงในที่นั้นหมายถึงพระโพธิญาณพระโพธิญาณก็คือมรรคขยานทั้ง4นั่นเอง โสดาปิมักขยานสกาธาคามีมักอนาค า, ม, ามักอร Hathamak พระบรมศาสดาแทงตลอดมักขยานทั้ง4จนได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่มักที่พระองค์ทรงตัดสู้กับมักที่สาวกทั้งหลายทรงแทงตลอดเนี่ยคเรามุมกันเลยนะคนละมุมกันเลย เ, ยโโลมมเลยพราะอะไรมักที่สาวกแทงตลอดนั้นเป็นมักที่พระเป็นอริยทรัพย์ที่พระาศาสดาทรงยื่นให้ แต่มากที่พระองค์ทรงค้นคว้าและทรงแทงตลอดได้ด้วยพระองค์เองนั้นเน่เป็นการแทงตลอดได้ด้วยพระองค์เองจากการบรรลุจากการเดินบารมีสิบแล้วก็ไปไประชุมถามว่าในบารมีสิบประการนี่นะยอ่อถ้าหากว่าเอาเป็นเนื้อธรรมเนี่ยนะก็ได้แก่โพธิปัจจิกิยธรรมจากโพธิปัจิกิทัศธรรมสามสิบเจ็ดประการนี่นะมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นจนถึง จนถึงอริยมรรควิองแปดเนี่ยถ้าย่อลงอีกก็คือวิสุทธิเจ็ดใช่ไหมศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจารณวิสุทธิมคามาคายาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัทสนวิสุทธิก็ญาณทัทสนวิสุทธิย่อลงอีกหน่อยก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อไปเป็นของคารวะก็คือทานศีลภาวนาเห็นมัมย่อลงมาอย่างเนี้ก็ย่อให้ได้แต่เราย่อได้แต่ขยายไม่ออก พ่าขยายไม่ออกก็เดินไม่เป็นย น, น, น, น, น, น, นี่ปัญหาก็อยู่ตรงเนี้ตรงนี้ก็คือว่าวิสุทิ์ทางงานบริสุทธิ์เว้นจากมนทินเนก็หมายความบมขยานทั้งสีนี่ไม่มีราค่าโทรษาโมหาะเป็นต้นซึ่งเป็นมนทินคอยรบกวนเนสักคูณทะทางที่ให้พระคุณทั้งสิ้น ทรงบรรลุโพธิยานันบริสุทธิ์อันให้พุทธคุณทั้งสิ้นอันเป็นตัวอย่างก็คือว่าอภิญญาหกอส า, าธารณญานหกพุทธยานสิบี่เวนีิก็ะทำสิบแปดเศธโถเศตาภูโตติโลเกก็ทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกสามในกาลปรภูมิรูปประภูมิเนะื้ติโล ก, กังและโลกสามพทะเจ้านั้นบรรลุถึงซึ่งความเป็นมีพระญานันยอดเยี่ยมพระทเจ้าเป็นใหญ่กว่าสัตวโลกไหม เป็นใหญ่กว่าสังขารและโลกมแล้วก็โอกาสโลกโลกคือจั ก, กรวาลทั้งหมดทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะคือจะต้องไปเชื่อมโยงในคำสอนถ้าเรามองอย่างนี้คือมองผลแต่ถ้าถ้าสาวเหตุก็เป็นเรื่องยาวเลยในเนี่ยนะึถ้าสาวเหตุก็เป็นเรื่องยาวว่า ในชั้นของสัตว์ตวโลกสังขารละโลกแล้วโอกาสโลกเขาบอกว่าโลกธาตุมีประมาณเท่าไร่พุทธญาณก็มีเท่านั้นพยานของพระบรมศาสดาก็มีเท่านั้นพยานมีเท่าไหรโลกธาตกก็มีเท่านั้นก็แยกย่อยลงไปทีแต่เนี้ยสัตว์โลกมีประมาณเท่าไร่พยานก็มีเท่านั้ น, พ ย, น, น, นพยานมีเท่าไหรจํานวนสัตว์โลกก็มีเท่านั้น สัตว์โลกและพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะ่ะมีความสมดุลกันและกันไม่ล่วงเกินกันและกันแม้อย่างนี้ฟังแล้วน้าหน้าข น, นลุกไหมแสดงว่าจํานวนสัตว์นี่พระเจ้าใช้คําว่าไม่สามารถจะนับได้แสดงว่าบุคคลที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่ะรู้ด้วยว่าจํานวนสัตว์มีเท่าไหร่ใช่ไหม แต่ท่านไม่พูดแค่นั้นเองถ้าพูดไปแล้วเนี่ยความคิดของเรามันรับไม่ไหวอ่ะมันก็แตกเลยสมองเราก็แตกตายเลยจำก็จำไม่ได้อย่างคำว่าสงไข่แค่นี้เราก็คิดกันไม่ออกแล้วใช่ั้มถ้าจะบอกว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่นะเป็นจำนวนเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบศูนย์รอบหนึ่งดับไป รูปอย่างเี้ทั้งเกิดทั้งดับไปางี้เนะลอกรอบหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งอสงไขก็ทรงสร้างบารมีมาอย่างเงี้ยจนลอกโรคที่แตกดับไปอย่างเงี้ยแตกดับไปเนี้ยยี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากับก็แปลว่ายี่สิบรอบก็ขนหัวโรกเล ย, ยงคิดไม่ออกแล้ว ไม่จะนับยังไงในเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนยร้อยสิบศูนย์แล้วก็ให้โลกแตกดับไปงนี่แล้วสร้างบารมีมาอย่างนี้คิดก็กลัวใช่ไหมคิดก็กลัวนี่คือพระพุทธเจ้าไงแต่ต้องไปดูนะการเดินบารมีเดินการเดินเดินยังไง น, นั้นคนที่ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่มี ขอให้ศึกษาจริงๆแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้แล้วยอมหมดนะคําว่ามอบกายถวายชีวิตยังน้อยไปเติมใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะถ้าพูดกันอย่างสาแมนสํานึกอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรารักพระพุทธเจ้าน้อยไปเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าน้อยไปถ้าไปเทียบกับบุคลากรของาศาสนิกอื่นเทียบได้เทียบไม่ได้เลยใช่ไหม ว่าเราลักพุทธเจ้าน้อยไปเหตุผลเพราะเราคิดถึงพุทธเจ้ามากกว่าเอาน้อยกว่าคิดถึงดนตรงนี้ก็คือในกาเมาวาจรรูปาวาจรและรูปาวาจรก็คือโลกสามเหมือนกันคําว่ากตาตวาทรงกระทำแล้วและทรงกระทำจนสําเร็จแล้วทุกขสัอันตังที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดก็คือส่วนปายแห่งทุกในวัตาทั้งสิ้นก็จะแก่อะไรตอนนี้พระ อ, องค์ได้นุบาธาวันนี้นิพพ า, า, านนี่ยัง พระ อ, องค์ได้อนุปาธาปนิพานแล้วกิเลสก็นิพพานแล้วตอนนั้นพระ อ, องค์ได้สาปาทที่เสสนิพพานอยู่ต่อมาแล้วกระแสขันของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงทําลายกิเลสแล้ว น, น, น่าโพธิมณฑลก็ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปอยู่ 45, สี่สิบห้าพันษายังเวเนยศาสตร์ให้ออกจากสังสารวัตรนับไม่ได้นับไม่ถ้วน ต่อมาขันธภาระของพระองค์นั้นก็ทรงปรินิพานที่กุศินาราใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าขันทปรินิพานเรียบร้อยนั่นคือได้อนุปาที่เสสานิพานเรียบร้อยไปแล้วแต่เมื่อพระบรมศา ส, สดาจากปรินิพานโดยขันทปรินิพานพระศาสดาก็บอกว่าพระธาตุที่เกิดจากศรีระของเราทั้งสิ้นจะทํากิจศาสดาแทนเราทั้งหลายจะทํากิจศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเรา ฉะนั้นพระาธาตุก็คือพระโลม า, าธาตุทั้งหลายในเะส้นพระโลมาซึ่งเป็นพระาธาตุทั้งหลายที่เกิดในสตรีละของพระบรมศาสดาทั้งที่ทเทวดาทั้งหลายในแสนกจักรวาลก็นำเอาไปบูชาไว้จักรวาลละพระโลม า, าธาตุเห็นไหมเห็นไหมก็นำไปประดิษ ฐ, ฐานอยู่ในจักรวาล น, นั้นนั้นนั้นนั้นหมดสิ้นแล้ว แสดงว่าพระบรมศาสดาที่อยู่ในฐานะแห่งพระาธาตุก็ไปทํากิจศาสดาให้กับเทวดาในจักรวาลเหล่านั้นนี่ไงตอนนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่ในจักรวาลทุกจักรวาลด้วยประการอย่างนี้จักรวาลที่มีสัตว์นะืแม้ในมนุษย์พระบรมสารีอเลขาธาตุก็มาปฏิสฐานอยู่แทบจะทุกจังหวัดใช่ไหมในประเทศไทยเนี่ยแต่เราท่านทั้งหลายไม่ไปเฝ้าพระศาสดาเองจะว่าอย่างไงใช่ไหม ใช่ไหมพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกไหมเป็นแต่เพียงผู้บอกแต่เราไม่เราไม่มนสิการไม่สําคัญเองว่าตอนนี้พระศ า, ศาสดาทรงประทับทำกิจของท่านอยู่เราจะว่ายงงอย่างไงอย่างเงี้ยพระไม่ชีว่าไงว่า้าพระศ า, ศาสดาว่ากี่ครั้งไม่ได้เฝ้าเลยถามหน่อยว่า ในปัจจุบันนี้เราจะให้ทานที่มีพระบรมศาสดาเป็นประมุกได้หรือไม่ได้ไดเอาแล้วเชิเริ่มเงียบแล้วได้ดไดหรือไม่ได้ไดเอาทำยังไงทำให้ดูหน่อยยอุพันธ์โอ๋งจะทำยังไงมีพระศาสดาเป็นประมุกให้ทานเนี่ยวายทานแด่สงมีพระศาสดาเป็นประมุกได้ไหมไเอาทำยังไงทำให้ดูหน่อยสิ ยังไงย้อมพัทลีลองให้ทานยังไงอ้าวพระถามอาจทานหน่อยที่ตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับเลยดิอย่าไปอมความรู้ให้มากพระไม่ต้องใช่ไหมเพวกเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเนี่ยชอบรับแต่ความรู้จะไม่ชอบแสดงออกเขาเรียกตันีธรรมะใช่ไหมตันีธรรมอ้าวว่าม า, าที่อ้าวทายังไงดี ตอนนี้พระบรมศาสดายังเป็นประมุกได้ในการเจริญทานากุศลสินกุศลภาวนากุศลเป็นต้นไหมได้อยู่ไหมทำยังไง ท, <ำ>ทำไงดีอ่ะลองทำให้เป็นตัวยอย่างหน่อยสิช่วยกันคิดเวะลาจะให้ทานเนี่ยมีพระบ ร, บรมศาสดาเป็นประมุกจะทำยังไงดีนี่เอา ไม่ลำบากเลยไม่น่าตั้งคำถามเลยเนี่นีต่ตั้งคำถามไปแล้วต้องตอบเองนี่นี่เพราะนี่ไม่ก็อยากตั้งเป็นอย่างนี้แหละถ้า ง, งั้นเดี๋ยวโยอมมงคลตอบนะเนี่ยโยมมงคลจ้องนนาเนนเนี่ยพรุทธเจ้า บ, บอกว่าพระธรรมวินยัยใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้ยจะเป็นศาสดา หลังการแคนเธอแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไมแลวตอนนี้เราเห็นพระศ า, าสดาในที่ทุกสถานอยู่ไหมจริงๆในใจเราเห็นพระศาสดาว่ากําลังทากิจของท่านอยู่จริงไหมเห็นยังไงดีเห็นยังไดงไดีอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนังสื อ, อนี่เป็นพระศ า, าสดาไหมเป็นได้ไงกักระดาษนี่ฮะ ถ้าจริงตัวพระธรรมนี่เนี่ยถ้าเรามองมองอย่างนี้นีว่าพระธาตุที่เกิดจากสรีระของเราจะเป็นาศาสดาของเธอใช่ไหมสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสู้สถานที่แสดงธรรมจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธปนินพาน์สถานที่พระาศสาสตาทรงบริโภคใช้สอย สถานที่เหล่านั้นจะเป็นศาสดาใช่ไหมพระศาสดาฝากไว้อย่างนี้ฝากไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ที่ควรไปดูไปแล่ไปสักการะใช่ไหมที่ที่ทําให้เกิดสังเวชยานนะอันนี้บอกไว้ในพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเป็นพระศาสดาใช่ไหมเมื่อเราไปณนะสถานที่ตรงนั้นเนี่ยพระธรรมของพระศาสดาก็ปรากฏในใจว่าเรามาเฝ้าพระศาสดาแล้ว เดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาแล้วอย่างนี้ต่างหากพระศาสดาจึงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมท่านในขณะให้ทานตั้งพระพุทธรูปตั้งพระธาตุขึ้นที่มีพระธาตุขึ้นอยู่ไหมไว้ในฐานะเป็นประมุขให้ทานถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อังคาศภิกษุสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้ทานากุศลเหล่านั้นชื่อว่าถวายดานแก่สง์ที่มีพระศาสดาเป็นประมุขนะ แต่เราทำศรัทธาให้เสมอกันไม่ได้ผลจึงไม่เสมอกันนะเราไปสําคัญว่าตอนนี้ภาษาสดานิพานแล้วแท้จริงการนิพานมีอยู่สามอย่างกิเลสนิพานขันธ์นิพานและธาตุปรินิพานใช่ไหมการปรินิพานสามอย่างถ้าตราบใดธาตุปรินิพานเพียงใดไปแล้วเมื่อไหร่ชื่อว่าภษาสานิพานจริง ก็การนี้เ <mañana>. ป็นการที่พระศาสดายังดำรงอยู่ในฐานะพระธาตุยังยึดโยงอยู่เป็นศาสดาของเราพระธรรมยังยึดโยงอยู่เป็นเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายอยู่ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าการนี้เป็นการที่เหมาะสมแล้วที่เราจะระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ได้ถึงก็คือมรักสักมักเรายังไม่ได้ถึงเลยเนี่ยต้องสมรักเนี่ยตั้งแต่โสดาบริมรักษเนี่ย บรรลุคือโสดาปิผลเป็นต้นก็ยังไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งคือพระนิพพานของพระโสดาบานันสกาา่าทาคานาคาและพระอรหันเนี่ยสรุปแล้วคือมรรคผลนิพพานเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงยังไม่ได้ทําให้แจ้งยังไม่ได้บรรลุและยังไม่ทําให้แจ้งถึงคือมรรคบรรลุคือผลแล้วก็ทําให้แจ้งคือพระนิพพานใ ช, ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ <laughs> เป็นอย่างนี้ด้วยหลักคาสอนเนี่ย ฉะนั้นกรณีอย่างนี้เราเวลาจะเดินทางในกุศลศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยเราไม่ได้สําคัญจริงๆว่าภาษาสดายังดํารงอยู่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงใครยังสงสัยคําว่าภาษาสดาดํารงอยู่ไหมสงสัยไหมแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเพิ่มสัดทินรียให้มากขึ้นไหมมากไม้มมากมากยังไรว่าเราไม่ว้าเวแล้ว เราจะรีบเข้าถึงสารนะแล้วตอนนี้พระาศาสดายังดำรงอยู่ลมหายใจเราก็ยังมีอยู่การนี้จึงเป็นการที่เหมาะสมที่สุดเราไม่ควรจะวกแวกวัแวอีกแล้วตอนเนี้ยเราไม่ควรที่จะมัวเอ้อระเหยแล้วเราต้องรีบระดมความเพียรแล้วใช่ไหมต้องรีบระดมความเพียรแล้วถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นคําสอนของพระบรมศาศสดาบอกว่าพระาศาสดานั้นเน่ะ ทรงกระทำส่วนแห่งทุกในวตาให้สิ้นได้แก่ได้อนุปาทาปรินิพานแล้วด้วยขันธปรินิพานแต่าธาตยังไม่ได้อนุบาทาปรินิาพนานยังดำรงอยู่พระาศาสดายังดำรงอยู่มู่ชนผู้กระทํากรรมงามไว้ได้แก่ประชุมชนผู้ได้ทําบุญไว้แล้วในสํานักของพระเจ้าในปางก่อนเราได้เจริญทาน ก, นกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอปจายนะเวยาวจา่าปฏิทานะ ปตาโนโมทนาธรรมะสวนาธรรมเทศนาทิฏฐุชุ ก, กรรมการทําความเห็นให้ตรงใช่ไหมเราได้ประกอบสุจริตสาคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเรายึดมั่นในกุศลกรรมไว้แล้วในพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ตั้งอัธยาศัยไว้จึงได้มีโอกาสมาเกิดทันในศาสนาของพระจีนเจ้าอันประเสริฐในการนี้นะบัดนี้ทุกขโตโมจยิตะทรงเปลื่องออกจากทุกข์แล้ว ทรงเปรื่องออกจากชาติทิฐุกชราทุกพยาธิทุกนี่หมายถึงพระบรมศาสด า, ากเขียนถึงทุกและจากขันห้าคือรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณจึงได้วัวหานอทุกขังได้แก่ทรงกระทําให้เป็นผู้ควรแกอนุ ป, ปาทาปริพยภานี้เป็นการบรรณาอย่างนี้ว่าถ้าเรามองอย่างนี้นะพระบรมศ า, าสดาทรงสอนสัตว์ขนสัตว์หรือสัตว์ให้ออกจากชาติทิฐุกชราทุกข์นับไม่ท่วนใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้นะเราจะเห็นว่า ภิกษุที่บรรลุไปก็ไม่น้อยภิกษุณีก็ไม่น้อยอุบาสกอุบาสิกาซึ่งท่านได้บรรลุคุณธรรมมันสูงสุดไปก็ไม่ใช่น้อยซึ่งได้เข้ามาอาศัยคําสอนของพระศาสดาขัดเกลาตัวเองอยู่ไหมทีนี้ถ้าหากมาพิจารณาพระตถาคติอรันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่ อ, อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลคเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แลพระโคดมผู้เจริญนั้นมีกิติศัพท์อัน ง, งามฟุ้งไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาพระองค์นั้นเป็นผ้ารหันเป็นผู้ตัดสรุชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเพียบพร้อมได้วิชาและจรณนาะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุษที่สมควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า พระ อ, องค์รู้แจ้งพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ด้วยพระ อ, องค์เองแล้วก็ทรงประกาศให้บุคคลอื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยานชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้เป็นการถามบอกว่าในศาสในสาสนิกของบุคคลอื่นนี่นะที่พระบรมศาสตราสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย เสียงกระชนของพุทธคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยดังกระหึ่มไปทั่วชมพูทวีปแล้วขึ้นไปสู่จาตมหาราชกาตาวติงสายามานี่นะดุสิตานิมานราดีปรณิมิสวาสสวัสดีแล้วก็ถึงพรห ม, มโลกใครก็กระจดจําคุณของพระศาสดาได้หมดเลยนะแม้ในตอนนี้เสียงของพุทธคุณเนี่ยนะยังดังกระหึ่มในกระแสจใจของพระรยาบุตคลตั้งหลายเต็มไปหมดนะ แอบเอือนดังในใจเราได้เป็นระยะระยะเท่านั้นเองดังบ่อยไหมเสียงเหล่าเนี้ยแม้พอเหตุนั้นพ่อผู้มีพระพาจย์พระ อ, องค์นั้นเนี่ยดังอยู่ตลอดไหมหรือนานๆมันจะขึ้นมาดังดีนานๆจะขึ้นมาดังดนีไม่ค่อยมีใช่ไหมในยุค ก, ก่อนเป็นแบบนี้จริงๆแสดงว่าพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเนี่ยปรากฏในใจของบริษัทของพระเจ้าอยู่เนืองนิดเลย แสดงว่าเขาเดินเขาเจริญพุทธคุณกันตลอดแม้แต่คนที่ไม่นับถือพระเจ้าก็ก็สาธยายบทนี้ได้ถ้าเราศึกษาในคำสอนเราจะได้ยินว่าถ้าพระบรมศ า, ศาสดาสเสด็จไปหน้าที่ไหนเนี่ยนะแม้กลุ่มชนที่เขาไม่นับถือก็จะพูดคำนี้ก็จะพากันพูดว่าได้ข่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นกษัตริย์ออกบวชได้ตัทโรเป็นพระเจ้า แล้วเสียงลือกระชอนไปแบบนี้ว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดี๋ยวพวกเองถึงพร้อมได้วิ ช, ชาและจรินะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็จะรู้กันหมดเลยแต่ทุกวันนี้คําคเนี้ยไม่ดังไปตามสนนนนทางนะกลายเป็นเสียงเพลงเสียงอะไรดังไปทั่วหมดเลยใช่ไหม ถ้าเราลองคิดดูนะบรรยากาศที่เราไปนะที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงกระชอนอย่างเงี้ยมันน่าจะตกใจไหมสะเทือนสะปลื้มใจนะปลื้มใจมากโอ้โหทาไมเป็นแบบนี้คือบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ไปหมดเลยไม่ว่าจะไปนะถน น, นหนทางไปนะสถานที่ร้านตลาดไปแม้ในตรอกในซอกซอยทั้งหลายแม้ในกลางทุ่งนาป่าเขาแม้จะเด็กขึ้นขี่วนหลังควายก็ แม้เพราะเหตุนั้นเ่าผู้มีพระภาคยาพระ อ, องค์นั้นเริ่มเป็นกันแบบนี้อ่ะแม้ในยุคของพระเจ้าโศกมหาราชก็เป็นแบบนี้จริงๆก็ยุคเป็นแบบนี้หมดหรือแม้แต่พุทธศาสนาเนะืเผยแพร่ออกจากประเทศไออินเดียเข้าสู่ลังกาทวีปจากจากอินเดียเข้าสู่สุวรรณภูมิจากอินเดียเข้าสู่คือ ข, ขยายออกทั้งเก้าสายนี่นะก็เป็นแบบนี้หมดเลยลองสังเกตดูที สาวกของพระบรมศา ส, สดาไปนะักที่ไหนนั่นะก็องค์อาจหนะ้าที่ตรงนั้นก็พระธรรมของพระศา ส, สดาไปเผยแผ่แต่ตอนนี้พุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้ไม่ค่อยดังกระหึ่มในใจของชาวโลกแล้วใช่ไหมบุคคลเจริญพุทธานุสติกันได้เป็นได้เดือนนี้เจริญไม่ได้แล้วเต็ดขัดขัดเครื่องหมดเลยตอนนี้เดินไม่ได้ที่ไปนั่งหลับตานิ่งๆลองไปนั่งสะกิดถามบางคนเจริญพุทธคุณกันไม่เป็นเลยใช่ไหมได้พุทโธอยู่คําเดียวเองตอนนี้ทำํำไงตอนนี้ พูดโธไปถามก็จริงๆไม่รู้หรอปากก็ท่องว่าพุทโธพุทโ ท, โทใจก็ไปกําหนดลมให้ใจเข้าแล้วออกไม่รู้ไปกำหนดกรรมฐ า, านอะไรกันเลยเดินไม่รู้พุทธคุณหรืออานาปันนะใช่ไหมกรรมฐ า, านก็แยกกันไม่ออกตอนนี้ไอจะเอาอะไรเนี่ยดี๋นี่ไปถามไปถามมาจริงก็นั่งงงนั่งงงไม่รู้เข้าให้ท่องอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าพระธรรมที่พระบ ร, รมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการเป็นต้นอในเนี้ พระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรเทระก็ชมเชยพระมหาบุรุษว่าก็พระบรมศาสดานั้นเกอบางทีสมัยก่อนเอามาใช้คําว่าพระบรมศาสดาบางคนเขาฟังแลก็แปลกๆเขาบอกมันแปลกดีแปลกไหมคําเนี้ปรมาเนี่ก็แปลว่าสูงสุดนะบรมธรรมอคําว่าบรมธรรมนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมใช่ไหมบรมธรรมเนี่ยก็คือธรรมที่สูงสุดคือพระนิพพานนะบรมธรรมเนี่ย พระบรมศาสดาเนี่ยเป็นแปลว่าศาสดาซึ่งเข้าถึงบรมธรรมด้วยตนเองไงไม่มีศาสดาใดที่จะเข้าถึงบรมธรรมได้อย่างพระพุทธเจ้านะบรมธรรมในที่นั้นหมายถึงพันิพานคืออนุปาทานบริพนิพานนะบรมธรรมฉะนั้นก็เป็นชื่อของปรมาเป็นชื่อของบรมีนั่นเองอยูอแต่ น, นี้ที่มาพูดคเนี้มีคนทวงอมานะเขาถามแตรคอนเขฟังก็งติดขัดมากก็ว่ากงนันเมีโยมคนนึงว่าเอามาก็เอ๊ะ มาก็เลยไปแยกสั์ให้ดูอ๋อนี่มาอีกเขาแยกเขาบออ๋อเป็นอย่างนี้เลยอก็ติดขัดมานานแล้วก็งั้นนะฟังทีไรเขาเขาก็ติดขัดอยู่เลยก็แค่ภาษานี่นะบางคนคือเราใช้ก็เหมือนอย่างงี้นะทางภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกพระเนี่ยเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นะหมายถึงพระสงฆ์เราที่แหละอันนี้เป็นคําไทยแท้ แต่พอคริสตีศาสนาเข้ามาในไทยเนี่ยเราเลยไปยกคํานี้ให้เขาซะนี่เขาไม่มีชื่อเรียกจริง ๆ, ๆเขาไม่มีหรอกของเขาใช้คําว่ากอสใช่ไหมใช้คําว่ากอสแค่นั้นแหละแต่เรากับเอาใช้คําว่าพระเจ้าคือพระพุทธเจ้านี่แหละคําของพระพุทธเจ้านะคออําว่าพระเจ้าเราก็ไปใช้เดี๋ยวนี้ก็ไปใหญ่เลยมีทอดกระถินเงินใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ก็นี่เห็นไหมว่าด้วยการที่เราไม่อนุรักษ์คํา ของเราเข้าไว้ก็เลยกลายเป็นใช่เข้าไปใช้ใช้ไปใช้มากลายเป็นสมบัติของเขาไปแล้วลองไปดูที่คำโบราณจารึกเข้าไว้เขียนว่พาพระเจ้าพระเจ้าทั้งนั้นเลยหมายถึงพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยไปหมดแล้วก็ดึงอันนี้ก็เรียกพยัญชนะพยัญชนะโดนดึงไปใช้หมายถึงชอบใจไงเนี่ยยอมสวัสดอ์หลวงโยโยยาใช่ไหมก็ต้องเล่าอายุทยาให้ฟังนิด คนอยุธยานี่นะยกมือหน่อยดิอยุธยาแท้ๆเลยต้นต่ออยุธยาเดี๋ยวเล่าเรื่องยุทยายฟังใช่ไหมอยากฟังไว้ละยอมมองคนไม่ไม่ยกแสดงไม่ใช่อยุทยาแท้ใช่ไหมอ๋อมาจากกรุงเทพออมาอยู่ยุทยาแล้วเป็นไงคนอยุธยาเป็นไงบ้างใจดีป่ะไม่ใช่คนอยุธยาใจดีป่ะใจดีนะพ่อไม่ไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวกลับไม่ได้นะ ย้อนส่วนน้โอ้ยย้าแท้ว่ะ<ช>อ๋อแท้นี่ยงั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องอยุยายฟังนะจะได้ไปเผยแผ่หน่อยอ๋อเป็นงั้นเลยเอองั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะมุมนี้มุมนี้แสดงว่ายมคงไม่เคยได้ฟังมาเนี่ยหรืออาจจะเคยฟังนะบาตรหลวงเ้าไปเขียนจดหมายบาตรหลวงที่มาเผยแพ่แาศาสนาคริสต์ตั้งแต่สมัยพานาลายนะสมเด็จพานาลัย กรุงคองกุฏไมกรุงศรีเนี่ยก็เขียนยดหมายรายงานให้กับผู้นำาศาสนาคือสันตปาปาไปเขียนรายงานบอกว่าได้มาทำการเผยแผ่าศาสนาคริสต์ในในประเทศสยามก็คือที่กรุงศรีอยุธยานี่เลยมาทำงานอยู่หลายปีคนไทยเนี่ยเป็นคนไทยที่มีความยิ้มแย้มอ่อนน้อมถ่อมตนม า, ากฉะนั้น สอนอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทําอะไรก็ทําตามหมดเลยเพราะงั <c oughs> น้นนะให้พาเข้าโบสนะพาไปไหว้พาไปสวดมนต์พาไปทําอะไรต่างๆเขาทําตามหน้าตาใสาแจ๋วไม่มีใครขัดเลยเชื่อฟังประนมมืออ่ อ, อนน้อมต่างๆแต่พอทําเสร็จพอกลับไปที่วัดเขาก็ไปสวดมนต์อย่างเก่า กลับไปสวดมนต์กลับไปถือศีลไปประพฤติฏิบัติอย่างเก่าก็เป็นอย่างนี้ก็าบองั้นนะทําการเผยแผ่ศาสนาอยู่หลายปีตั้งแต่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศอื่นมาไม่เคยหนักใจเท่ากับมาประเทศสยามนี่เลยเขาบอกหนักใจมากๆดูเหมือนจะเชื่อแต่ไม่เชื่อนี่อยุธยาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยุธยาต้องเป็นอย่างนี้ไม่ขัดใครไม่ต่อต้านใคร แต่รู้เข้าเมืองกาเหลี่ยวก็เหลี่ยวกัเข้าไปงั้นแหละแต่จริงๆพอกลับมาก็ยึดกุศลกรรมบทของตนเองอย่างเหนียวแน่นยึดวัฒนธรรมประเพณีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย